สิบกีดกันอกุศลด้วยความละอายพระพุทธภาษิตบุคคลผู้ห้ามอากุศละจิตที่เกิดขึ้นด้วยหิริมีน้อยคนในโลกผู้ใดบรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เป็นนิดเหมือนม้าดีสะดุ้งด้วยแส้ผู้นั้นหาได้ยากม้าดีถูกหวดด้วยแส้แล้วย่อมระลึกถึงตนฉันใดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีความสังเวชันนั้น ท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะมีสติมั่นคงวงเล็บเมื่อเป็นดังนี้จักละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้เสียได้อธิบายความอากุศลวิตกนั้นคือความตึกไม่คิดในทางอากุศลกล่าวคือทางไม่ดี ในทางอันก่อให้เกิดบาปในบาลีนิเทศท่านหมายถึงตึกในทางการหนึ่งทางพยาบาทหนึ่งทางเบียดเบียนหนึ่งเรียกเป็นศัพว่าการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคําว่าวิตกในภาษาชาวบ้านทั่วไปหมายถึงกังวลตรงกับคําภาษาอังกฤษว่าวอร r ่ในภาษาอังกฤษหมายถึงคิดมากแต่ในภาษาธรรมะท่านหมายเอาความนึกคิด โดยปกติความนึกคิดของสามันชนมักตกไปในกามคือความใคร่หรือสิ่งที่น่าใคร่กล่าวโดยเฉพาะคือจิตมักคำหนึงถึงเพศตรงข้ามคำหนึงถึงความรักและสิ่งที่รักเราจะสังเกตเห็นว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวมักพอใจคุยกันในเรื่องเพศตรงกันข้ามได้เป็นเวลานานๆและบ่อยๆเป็นที่ถูกใจของคู่สนทนาทางนี้เพราะจิตไปเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอยู่กับเรื่องเพศตรงข้ามความรักและที่รัก จิตเลี้ยวแลอารมณ์นั้นอยู่เหนืองเหนืองการสนทนาถึงเรื่องนี้เป็นการระบายอารมณ์ที่ถูกกดทับเอาไว้ให้มีโอกาสไหลออกไปจากความสำนึกที่ค้างค้างหมักหมมอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ความตึกในเรื่องนั้นน้อยลงมันอาจจะเป็นเชื้อให้มีกําลังเพิ่มพูนขึ้นเหมือนโยนเชื้อลงไปในกองไฟขณะที่เชื้อลงใหม่ๆดูเหมือนว่าแสงไฟจะหลี่ลงเล็กน้อย แต่ไม่นานนักอาศัยเสื้อนั้นกองไฟก็จะเริงแรงขึ้นอีกในขณะที่จิตกําลังตืดทางกามนั้นพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกย่อมไม่มีแต่เมื่อพยาบาทวิตกเกิดขึ้นกามวิตกย่อมพานหายไปโดยในยะนี้จะเห็นว่ากิเลสย่อมกําจัดกันอยู่ในตัวที่ใดมีความรักที่นั่นย่อมไม่มีความโกรธความรักกับความโกรธจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ เมื่อกิเลสสายใดเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ไม่เคยเลยที่ครึ่งหนึ่งของจิตเป็นความรักอีกครึ่งหนึ่งเป็นความโกรธหรือเกลียดจิงอยู่ในบุคคลคนเดียวกันบางคราวเราอาจจะรักอย่างดูดดืม่มบางคราวเราโกรธอย่างมากแต่ต้องเกิดขึ้นไม่พร้อมกันต้องเกิดคนละขณะโดยทรานองนี้จิตที่ถูกกีดกันจากกามหรือความรักจึงมักตกไปในหลุมหนึ่งคือความพยาบาทหรือมิฉะนั้นก็ ความคิดทางเบียดเบียนโดยปกติจิตจึงมักวนเวียนคุกเข่าอยู่กับ3มหลุมนี้คือตามพยาบาทและวิหิงสากล่าวอย่างไทยคือรักใคร่โกรธเกลียดเบียดเบียนบุคคลที่กีดกันอกุศลวิตกดังกล่าวนี้ด้วยหิริคือความละอายต่อบาปนั้นท่านว่าหาได้ยากในโลกทั้งนี้เพราะคนส่วนมากมักปล่อยจิตไปตามปรารถนาอันหนึ่งบุคคลที่บรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่นึ่งนิดก็หาได้ยาก เพราะคนส่วนมากพอใจในความหลับหาความสุขจากการเอนการนอนความหลับนั้นมีอยู่สองอย่างคือหลับอย่างธรรมดาหนึ่งหลับเพราะกิเลสที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราหนึ่งความหลับอย่างธรรมดานั้นเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้มีโอกาสซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปในการใช้งานเราจะสังเกตว่า เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียถ้าได้นอนหลับสักนิ่งหนึ่งเพียง5ถึง10นาทีเมื่อตื่นขึ้นจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋ทาทั้งนี้เพราะร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกรอไปแล้วตามสมควรถ้าเหนื่อยมากก็ต้องพักผ่อนนานบางคนตรากตามมา 6-7 วันจึงต้องพักผ่อนจริงๆวันหนึ่งหรือสองวันจึงจะมีกำลังขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามคนที่นอนเพราะความเกลียดครานก็มีเหมือนกัน ส่วนความหับข้อกิเลสนั้นคือความหลงยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจังความสุขบ้างทุกข์บ้างก็ตามมาเพราะความยึดถือนั้นเหมือนอย่างว่าคนนอนหลับฝันไปว่าคนที่รักตายมีความโศกเศร้าเสียใจหรือฝันว่าได้พบคนที่รักแล้วมีความชื่นชมยินดีแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็ตามความชื่นชมยินดีก็ตามย่อมหายไปเพราะ ได้รู้จริงเห็นแจ้งซะแล้วว่านั่นคือความฝันคนที่รักไม่ได้ตายจริงและไม่ได้พบคนที่รักจริงข้อนี้ฉันใดคนที่หลับอยู่ด้วยความหลับคือกิเลสนั้นก็ฉันนั้นย่อมหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆอันผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งนี้เพราะโลกิยธรรมบังปัญญาจากักษุไว้ชั่วคราวเหมือนความฝันได้กำบังความจริงเอาไว แต่เมื่อบุคคลตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จากความหลับคือกิเลสแล้วความหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆย่อมพลันหายไปมีแต่สติและญาณอันบริสุทธิ์เท่านั้นบุคคลผู้บรรเทาความหลับด้วยความตื่นอยู่ดังกล่าวมาพระศ า, าสดาทรงยกย่องว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากทรงเปรียบบุคคลอย่างนี้ด้วยม้าดีที่ถูกนายสารถีหัว ด, ด้วยแส้แล้วแม้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็คํานึงถึงตน ตั้งใจทำดีเพื่อไม่ให้ถูกทําโทษอีกม้าดีเมื่อถูกหวดด้วยแท่แล้วย่อมมีความสังเวชสลดใจสันใดพระตถาคตทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายมีความสังเวชสลดใจและมีความเพียรฉันนั้นอันหนึ่งภิกษุพึงประกอบด้วยคุณสมบัติคือศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยวิชาจรณนะและความมีสติมั่นคงด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เธอจักละความทุกข์ได้ จากพน า, นาคุณสมบัติแต่ละประการแต่โดยย่ อ, อ 1. ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันมีเหตุผลพอเชื่อได้ไม่เป็นความเชื่อที่งมงายกล่าวโดยสรุปคือ 1. กรรมมัทธาเชื่อความมีอยู่จริงแห่งกรรมดีกรรมชั่วคือไม่ปฏิเสธว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มี 2. วิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมว่า กรรมย่อมมีผลกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วให้ผลไม่ดีไม่ชั่ว 3. กรรมมัศกตาสัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเฉพาะบุคคลคือแต่ละคนเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเองใครประกอบกรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วก็ตามกรรมย่อมตกถึงบุคคลนั้นกรรมย่อมให้ผลไม่ผิดคน 4. ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า ทรงรู้จริงเห็นจริงทรงเป็นผู้ตัดสรู้จริงตัดอย่างใดสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความเชื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งควรเชื่อส่วนความเชื่อง่ายและเชื่องมงายนั้นพระศาสดาทรงสอนให้ละเวน้นเพราะเป็นโทษแก่ผู้เชื่อเป็นทางให้ถูกหลอกได้ง่าย 2. ศีลคือการ เว้นสิ่งที่ควรเว้นเช่นการเว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นเช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์และการทำตนให้เดือดร้อนเช่นการติดยาเสพติด 3. ความเพียรคือความกล้าในการทำความดีละเว้นความชั่วความพยายามชอบความขยันในการงานและความบักบันเพื่อบรรลุคุณธรรมให้สูงขึ้นไปท่านแสดงความเพียรไว้สีประการคือ 1. สังวรประธานหรือสังวรประธานความเพียรระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น ปหาณประทานความเพียรและความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานความเพียรให้ความดีเกิดขึ้น 4. อนุรักษนาประทานความเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและให้เจริญยิ่งขึ้นไป 4. ส, สมาธิคือความสงบของใจเป็นชั้นชั้นเรียกว่าฌานบ้างสมาบัตบ้างมี8ชั้นใจจะสงบประณีตขึ้นไปโดยลาดับ สมาธิมีความจําเป็นมากในการงานทุกอย่างไม่เพียงแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อระกิเกลสเท่านั้นการศึกษาเล่าเรียนและการทํางานต้องอาศัยสมาธิทั้งสิน้นพอใจวอกแวกการเรียนก็ไม่จําไม่เข้าใจการงานก็ดําเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่นไม่เรียบร้อยการเขียนหนังสือยิ่งต้องใช้สมาธิมาก พอใจวอกแวกก็เริ่มเขียนผิดทันทีสมาธิเป็นอุปกา ร, ระธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนสูงสุดสมาธิมีอยู่สามขั้นคือ 1. คณิกะสมาธิขั้นชั่วคราวเกิดขึ้นเป็นพักๆเช่นคนอ่านหนังสือที่ชอบมีใจจดจ่ออยู่สมาธิชั่วคราวเกิดขึ้นสมาธินี้จะดำรงอยู่นานเท่าที่ยังมีความสนใจอยู่พอเลิกสนใจสมาธิก็ดับไปทันที คนที่ทำงานเพลินก็เหมือนกันขณะนั้นคณิกะสมาธิย่อมเกิดขึ้นถ้าสมาธิชนิดนี้ไม่เกิดเขาย่อมไม่เพลินในงานสมาธินี้จะบรรเทาและขับไล่ความฟุ้งซ่านความเหลียวแหลของจิตไปทางโน้นทางนี้ให้หมดไปใจจะจดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งที่กำลังทำหรือคำที่กำลังพูดอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดชานถ้าเปียบชาน วงเล็บอัปปนาด้วยปลาอุปจารสมาธินี้คืออาการที่จับแล้วหลุดแต่พระโยคาวะจรก็ไม่ละทิ้งความพยายามตรงกันข้ามเขาพยายามจับอยู่ตลอดเวลาเพราะได้มองเห็นแล้วว่าจะต้องจับได้ในครอนีหลงกวชากันอุปมาเหมือนคนอิสานไปเบียงแหถูกปลาช่อนอย่างนี้พอสูกระจนความตั้งใจที่จะจับของเขาแม้มันอยู่ในแหแล้วก็จับยากเหมือนกันนีย ถ้าจับไม่ดีจับไม่ถูกวิธีปาก็หลุดจากแห่ได้เหมือนกันบางคนตื่นเต้นพอได้รู้ว่าถูกปาก็ตื่นเต้นตะคุบใหญ่เลยตะคุบมก็ดิ้นแรงเพรแรงมันก็หลุดไปเลยนี่ที่เปรียบเทียบเหมือนสมาธินะานี่คือตั้งใจมากเกินไปสมาธิก็หลุดไปได้เหมือนกันนี่ั้นคนฉลาดก็ค่อยๆคำคำก็ ค, ค่อยขยับไปยึดทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยให้มันเชื่องกับมือนะีมันเป็นวิธีการนี่ <N ic ado> คําไปมันก็วิ่งไปก็ไม่ตื่นแต่ก็ค่อยคําไปคาไปจกนกระทั่งมันคุ้นเคยกับมือพอคุ้นเคยกับมือแล้วมือสองมือค่อยๆกําลังมันก็นิ่งเลยนิ่งเขาก็กดจับคอเลยทีนี้ <N ic ado> นั่นเป็นเปรียบข้อเปรียบเทียบนะสามอปนาสมาธิคือสมาธิในฌานเหมือนอาการที่จับปลาได้อย่างมั่นคงนะเดี๋ยวมั่นใจแล้วถึงจับแน่น น, น, นั่นก็คือ ปานั้นจะยังไม่หลุดมือไปตราบเท่าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ปล่อยนี่แต่โดยปกติก็ต้องปล่อยเพราะสมาธิเป็นของชั่วคราวเป็นการยากที่จะดำรงอยู่ในสมาธินั้นตลอดไปเมื่อผู้ปฏิบัติสมาธิออกจากสมาธิแล้วหรือออกจากฌานแล้วก็ย่อมดำเนินชีวิตตามปกติคือดำเนินไปตามกระแสะแห่งโลภิยธรรมการยืนเดินนั่งนอนดื่มกินย่อมเป็นไปเหมือนสามัญมนุษย์เมื่อเป็นดังนี้จึงมีปัญหาว่าสมาธินั้นจะเสื่อมลงหรือไม่ ตอบว่าโดยธรรมชาติหาเสื่อมลงไหมเพราะเหตุ3มประการคือ 1. ผู้ปฏิบัติสมาธิย่อมฝึกฝนสมาธินั้นมาเป็นเวลานานกรรมใดที่บุคคลอบรมฝึกฝนมาเป็นเวลานานกรรมนั้นจะกลายเป็นนิสัยสันดานของบุคคลผู้นั้นไปเขาเกิดความเคยชินกับกรรมนั้นจนไม่สามารถหลบหลีกไปโดยง่ายคือจิตของเขาย่อมดําเนินไปตามรอยนั้นอยู่เสมอ 2การที่ผู้ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติติดต่อกันสม่ำเสมอไม่ได้ขาดสายนั้นทําให้การงานคือสมาธินั้นเจริญขึ้นทุกทีมิได้เสื่อมลงแต่ถ้ามีการงดเว้นความเกียดคร้านอาจแทรกเข้ามาได้การทําสม่ำเสมอทําติดต่อที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัตตังภิกุสมาหิโตสัตตังภิกุสมาหิโตนั้นมีแต่จะทําให้สมาธิเพิ่มพูนมั่นคงขึ้น การออกจากสมาธินั้นเปรียบเหมือนการพักผ่อนของคนทำงานเป็นต้นว่าอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือ 3. การปฏิบัติสมาธินั้นเป็นกรรมดีอย่างหนึ่งกฎธรรมดาแห่งกรรมดีมีอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ประกอบกรรมดีย่อมมีความรู้สึกปลื้มใจพอใจในตัวของเขาเองความปลื้มใจนั่นแหละชวนให้ผู้นั้นทำกรรมดีต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบกรรมดีในทางใดอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากทางเดินของเขาในทางนั้น ด้วยประการชนีแม้พระโยคาวะจรจะออกจากสมาธิเป็นการชั่วคราวสมาธิของท่านก็หาเสื่อมไม่จนกว่าจะถูกย่ำยีด้วยอารมณ์อัจเป็นค่าศึกกับฌานหรือสมาธินั้นเช่นความกำหนัดในการเป็นต้นสมาธิที่ได้เพราะดำเนินทางสายสมถภาวนาท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชานส่วนที่ได้เพราะดำเนินตามสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าลัคนูปนิชาน ถ้าทำวินิจฉัยหรืออีกในยนหนึ่งคือทำวิจัยหมายถึงการตรองทำเหมือนการกรองข่าวของทางราชการนี่ก็คือการวินิจฉัยทำว่าทำใดเป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสทำใดเป็นไปเพื่อทําลายกองกิเลสทำใดเป็นไปเพื่อให้กุศลเสื่อมไปอกุศลจเจริญขึ้นเป็นต้นพยายามละเว้นธรรมอันเป็นเหตุให้อกุศลจเจริญ ดำเนินตามธรรมอันเป็นเหตุให้กุศลเจริญทำใดเป็นอันตรายทำใดไม่เป็น 6. วิชาคือความรู้หรือแสงสว่างภายในความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติทางสมาธิเป็นประเภทความชำนาญทางจิตหรือปัญญาอันได้จากการอบรมจิตในที่นี้ท่านหมายเอาวิชาสามหรือวิชา8ของดกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้เจรณนะตามตัวอักษรแปลว่า ความประพฤติหมายถึงความประพฤติชอบท่านระบุจรณะไว้15้ามีศีลสังวรความสำบูรณมในศีลเป็นต้นมีจตุทชาญเป็นปริโยสารพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์สมดังพระพุทธภาษิตว่าคัตติโยเศธโธชเนตสงเยโคตตปฏิสาริโนวิชาจรณะสัมปันโนโสโเศธโธเทว มานุเสในหมู่คนที่ยังรักเกลียดกันด้วยโคดวงเล็บหรือชาติวันนะกษัตรนับว่าประเสริฐสุดแต่ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์แดความมีสติมั่นคงกล่าวในทางปฏิบัติหมายถึงความเป็นอยู่ด้วยสติไม่เผลสติจนอาการนั้นอยู่ตัวกระแสกิเลสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตได้กระแสตัณหาต้องไหล กลับเมื่อมาพบกับเครื่องกั้นคือสติเข้าสมดังที่จัดว่ากระแสตัณหาในโลกนี้ย่อมถูกกั้นด้วยรมนบคือสติยานิโสตานิโลกสมิงสติเตสังนิวาระนังพระอระหันต์นั้นได้นามว่าสติสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยสติมีสติมั่นคงไม่แปรผันบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งแประการดังกล่าวมา ย่อมได้รับอานิสงค์คือการละทุกอนมีประมาณไม่น้อยเสียได้เรื่องนี้ทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารกพระปิโลติกะเทระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระอานนท์เห็นเด็กคนหนึ่งนุ่งผ้าเก่าขาดถือภาชนะกระเบื้องเที่ยวขอทานอยู่จึงชักชวนว่าเที่ยวขออยู่อย่างนี้บวชเสียไม่ดีกว่าหรือใครเล่าจะให้ข้าพเจ้าบวชเด็กน้อยถาม ถ้าเธอสมัครใจจะบวชฉันจะบวชให้เองเด็กน้อยรับคำกับพระเถระว่าจะบวชพระเถระจึงพาไปยังวิหารอาบน้ำให้ด้วยมือของตนเองแสดงว่าอย่างเด็กอยู่นั่น <c oughs> ให้กรรมฐานแล้วให้บวชพระอานนท์ครี่ผ้าเก่าของเด็กออกดูไม่เห็นว่าพอจะใช้การอะไรได้จึงเอาผ้าไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งกระเบื้องสำหรับขอทานก็วางใกล้ๆนั้น ต่อมาสามนเณรนั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อาศัยราภสการะที่เกิดขึ้นแก่พระาศาสนาเลี้ยงตนอยู่ร่างกายอ้วนท้วนสดใสขึ้นนุ่งผ้าจีวร อ, อย่างดีและพร้อมๆกันนั้นก็มีความกระสันไข่จัดศึกปรารคว่าอย่าเลยด้วยจีวรที่ทายกถวายด้วยศรัทธาเราจะนุ่งผ้าท่อนเก่าของเราเที่ยวไปดังนี้แล้วไปสู่ที่ ท, ที่แขวนผ้าเก่าไวา้ เห็นผ้าท่อนเก่าของตนแล้วสลดใจให้อวาาตนว่าเจ้าผู้ไม่มียางอายเจ้าต้องการทิ้งผ้าเนื้อดีราคาแพงนี้แล้วไปนุ่งผ้าท่อนเก่าขาดนั่นอีกหรือต้องการละทิ้งโภชนะอันประเนตแล้วเที่ยวขอทานอีกหรือเมื่อให้โอวาสตนอย่างนี้จิตก็ผ่องใสขึ้นเก็บผ้าชิ้นเก่าไว้ที่เดิมแล้วกลับไปยังวิหารคือที่อยู่อีกสองวันสามวันต่อมากสันขึ้นอีก ไปทำอย่างเดิมเมื่อจิตสงบผ่อนสายก็กลับมาภิกษุทั้งหลายเห็นเธอไปไปมามาอยู่แถวนั้นบ่อยจึงถามว่าผู้มีอายุท่านไปทำอะไรทางนี้บ่อยๆผมไปสำนักของอาจารย์ครับเธอตอบเธอทำอยู่อย่างนี้ไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าตอนนี้ไม่เห็นเดินทางนี้ไม่ไปสานักอาจารย์แล้วหรือ เมื่อยังมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์อยู่ผมไปแต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องกับอาจารย์นั้นไม่มีแล้วผมตัดขาดแล้วจึงไม่ไปภิกษุทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจว่าท่านรูปนั้นพูดอวดอุตตริมนุสธรรมพยากรอรหั ต, ตผลจึงกราบทูลพระทศพลพระผู้มีพระภาคตัดว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายปิโลติกะบุตรของเราไปสํานักอาจารย์เมื่อยังมีความเกี่ยวข้องอยู่ แต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องนั้นเธอได้ตัดขาดแล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองโอวา่าตนด้วยตนเองบัดนี้บรรลุอรหันต์แล้วพระศาสดาตัดต่อไปว่าบุคคลผู้ห้ามอากุศลวิตตกด้วยหิริมีน้อยคนในโลกเป็นอาทิมีนัยยะดังพันน า, นามาแล้วแต่ต้นเรื่องทํานองนี้ก็มีหลายองค์กัน โดยอาศัยสมบัติเก่าของตนเป็นครูเป็นอาจารย์คอยเตือนคอยสอนเนี่ยก็สามารถมั่นคงในพรหมจรรย์เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติ บ, ตบรรลุอรหันต์ได้เหมือนกันเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึง่งเนี่ยฉะนั้นท้ามองในแง่ของกิเลสนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันรู้อยู่ว่ามันเคยอยู่ลําบากมันก็หวนที่จะไปหาความถนัดไม่ได้ต้นเองว่ามันเป็น สร้างจนเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งทีละได้ยากเนี่ยแม้จะลำบากมันก็ยังจะดันไปทํานองเนี่ยจึงต้องอบรมจิตใจเนี่ยให้พัฒนาสูงขึ้นจนรู้เท่าทันเห็นกิเลสเ็นความทุกข์ยากลําบากนี่มีปัญญามีบา ร, รมีนี่ไปก็เลยเป็นเหตุให้สอนตนเอง เหมือนภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านมีเครื่องมือมีจอบกับเสียมนะเป็นเครื่องมือหากินโอ้หากินด้วยความยากลำบากเนะี่ยได้ไปบวชแล้วพออยู่สบายมันก็กิเลสเกิดขึ้นมาก็อยากจะศึกก็เลยเดินไปถ่ากระสิกมันก็ไม่มีสมบัติอะไรก็มีแต่เสียมกับจอบที่ทิ้งอยู่ท่านก็กลับไปดูที่เดิมพอไปดูพี่นาตายแล้ว นี่เราเคยผ่านมาแล้วมีความสุขสบายไหมไม่เคยได้รับความสบายเลยได้โอวาดให้ตนเองสุดท้ายใจผ่องใสขึ้นมาก็กลับวัดองนั้นก็เหมือนกันนะเห็นไปไปมาม า, มาบ่อยๆพระธรมว่าท่านไปอะไรบอกว่าไปสํานักของอาจารย์ <c oughs> อาจารย์อะไรอยู่ในป่าไม่เห็นกุฏิไม่เห็นอะไรเลยนี่แต่พอสุดท้ายท่านบนรรลุอรหรันต์เดีวท่านก็ไม่ไปเนยะท่านก็ตอบทํานองเดียวกันเนะี่ยพระทั้งหลายก็สําคัญว่าท่านอวดอุตตริมุสธรรมประกาศตนเป็นพระอรหันต ได้พระเดจเจ้ารับรองอท่านบอกว่าเออเขาก็อาศัยอาจารย์เพราะสิ่งนั้นเป็นครูอาจารย์เขาได้เตือนเขาเมื่อกิจที่เขาทำมันสำเร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาอาจารย์อีครับทิ้งไปแล้วอันนั้นนะ่ลืมไปแล้วสิอผู้ฝึกตนอุทกังหินยันติเนติกาอุสุการา นมยันติเตชนังทารังนัมยันติตัชกาอัตานังธมยันติสุพตาแปลว่าชาวนาย่อมไขน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนการฝึกตนได้อธิบายมาบ้างแล้วในเรื่องที่เก้าแห่งวรรคนี้จะพรณนาเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อย ขอกล่าวถึงคําว่าผู้มีวัดดีก่อนคํานี้หมายถึงท่านผู้ได้รับการอบรมมาดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักที่ต่ําที่สูงควรประพฤติอย่างไรต่อบคุคคลประเภทไรเป็นผู้มีมารยาทงามมองดูน่าปลื้มใจน่าเลื่อมใสอาการดังกล่าวนี้ย่อมได้มาด้วยการอบรมฝึกฝนมารดาบิดาอุปชัยยะอาจารย์ช่วยอบรมบุคคล น, นั้นนํามาฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นนิสัยสันดานของตน ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ากิริยาท่าทางคำพูดหรือการกระทําความเคลื่อนไหวของคนที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาแล้วกับคนที่ยังไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนย่อมแตกต่างกันมากมองเห็นได้ชัดในที่นี้ขอกล่าวถึงการฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยเป็นธรรมสําคัญทั้งแก่ชาติศาสนาชาติที่จเจริญได้หรือจเจริญแล้วคนในชาติต้องมีระเบียบวินัยรักษาระเบียบวินัยของชาติ อย่างดีไม่ทำอะไรตามใจชอบของตนกฎหมายพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับของสมาคมเหล่านี้ล้วนเป็นวินัยทั้งสิน้นการมีวินัยก็เพื่อไม่ให้คนหนึ่งไปลิดรอนสิทธิหรือทำความลำบากให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยพระการเพราะว่าคนที่อยู่กันหมู่มากย่อมมีคนมักง่ายบ้างเห็นแก่ประโยชน์ตนเบียดเบียนประโยชน์โดยชอบทำของผู้อื่นบ้าง ก่อความเดืดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อื่นบ้างรัฐบาลหรือพระเจ้าแผ่นดินจึงต้องให้มีระเบียบวินัยของประเทศของหมณะเพื่อให้สังคมได้รับความเป็นธรรมใครประพฤติผิดวินัยข้อบังคับย่อมได้รับโทษสมควรแก่การกระทาเช่นกฎหมายหรือวินัยห้ามไว้ว่าห้ามฆ่าคนใครไปฆ่าเขาย่อมได้รับโทษตามควรแก่กรณีที่กฎหมายได้ระ บ, บุไว คนมีวินัยดีได้รับการยกย่องว่าเป็นพลเมืองดีของชาติถ้าคนส่วนมากเคารพต่อวินัยของชาติได้รักษาวินัยนั้นได้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะไม่มีความยุ่งทั้งหลายมาจากคนในชาติประพฤติผิดวินัยของชาติทั้งสิน้นอันหนึ่งระเบียบวินัยทําให้ดูงามไม่ว่าวัตถุหรือบุคคลดอกไม้ที่จัดเข้าระเบียบแล้วย่อมดูงามกว่าดอกไม้ที่ไม่ได้จัดหมู่คุที่มีระเบียบก็เหมือนกัน ทหารที่อยู่ในแถวมีระเบียบวินัยแถวตรงสีเครื่องแต่งกายเหมือนกันเดินพร้อมกันหยุดพร้อมกันหันซ้ายหันขวาพร้อมกันย่อมดูงามกว่าคนที่ยืนกันอย่างไม่มีระเบียบเดินพุกพ่านเป็นต้นชาติที่เจริญแล้วย่อมฝึกคนของเขาให้มีระเบียบวินัยจะทิ้งของเป็นต้นว่าเปลือกผลไม้ก็ต้องเป็นที่เป็นทางไม่ใช่ใครนึกจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งได้จะบ้วนน้าลายจะนั่งจะนอนย่อมจะต้องถูกที่เหมาะแก่การกระทํานั้นๆ รับเบียบินในอย่างนี้ทำให้ชาติของเขาเป็นอาระยะส่วนชาติที่ไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องดังกล่าวนี้บ้านเมืองก็สกรปรกไปทุกหนทุกแห่งใครมาเห็นเข้าแม้ไม่พูดก็นึกดูหมิ่นในใจไม่เคารพนับถือการกระทําของคนในชาตินั่นเองกทชาติของตนเองให้ต่ำลงเป็นอนาระยะแม้จะมีชาติมาแล้วตั้งห้าพปีก็ไม่มีใครยกย่องว่าเป็นชาติที่เจริญ เมื่อชาติถูกดูหมิ่นเช่นแล้วคนในชาติก็พลอยถูกดูหมิ่นไปด้วยชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อความเจริญของชาติของเราจะกล่าววินัยของาศาสน า, สาศาสนาทุกาศาสนาย่อมมีวินัยเพื่อาศาสนิกจักได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นผลดีแก่ตนและผู้อื่นในพุทธศาสาศนามีวินัยทั้งของครือขัดได้วันภชิตวินัยของครือขัด หวงเล็บอาคาริยวินัยเช่นศินห้าสิปกุศลกรรมบทสิเป็นต้นล้วนแต่เป็นไปเพื่อความดีของครือขัดผู้นั้นและความดีของส่วนรวมตัวอย่างศินห้าวิการค่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการติดยาเสพติดให้โทษคนใดประพฤติล่วงวินัยนี้ย่อมได้รับโทษทั้งทางบ้านเมืองและโทษทางศีลธรรมหากไม่เชื่อขืนประพฤติล่วงบ่อยก็จะได้เห็นด้วยตนเองว่ามีโทษจริงหรือไม่ ส่วนผู้เชื่อฟังไม่ประพฤติร่วงย่อมจะได้เห็นคุณด้วยตนเองเหมือนกันวินัยของบรรพชิตอนาคาริยาวินัยมีสองพวกคือวินัยของสามเณรและวินัยของพิกษุวินัยของสามเณรนั้นกล่าวโดยย่อ ม, มีดังนี้คือสินสิบนาสนังคะ10และธันตกรรม10ศสินสิคราบท10กับนาสนังคะ10นั้น5ข้อแรกเหมือนกันต่กันใน5ข้อหลังส่วนทันตกรรมสิบนั้น หข้อแรกเหมือนห้าข้อปลายของศีลสิกขาบทสิบพึงดูดังนี้ศีลสิบห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามเสพเมถุนห้ามพูดปดห้ามดื่มน้ำเมาห้ามสั่นอาหารยามวิการห้ามฟ้อนรำขับร้องแย่ดูการเล่นเช่นนั้นห้ามแต่งกายด้วยของหอมห้ามนอนบนที่นอนสูงนอนที่นอนใหญ่ห้ามรับเงินและทองนาสนังค่าสิบนั้นหนึ่งถึงห้าเหมือนศีลสิบห้าข้อแรกเพิ่มอีก 5คือผู้ติดเตียนพระพุทธเจ้าผู้ติเตียนพระธรรมผู้ติดเตียนพระสงฆ์เป็นมิจฉาทิฐิข่มขืนนางภิกษุณีธัตกรรม10 1หถึงหเหมือนข้อ 6-10 ในศินสิบที่ต่างกันมีดังนี้พยายามเพื่อให้ภิกษุเสื่อมลาภพยายามเพื่อหายาณะของภิกษุพยายามให้ภิกษุอยู่ไม่ได้ด่าทอตัดเพาะภิกษุยุยงให้ภิกษุแตกกัน นาสนังคะแปลว่าองค์ที่ทําให้ชิบหายคือเมื่อสามเณรล่วงละเมิดเข้าแล้วต้องให้ศึกนาสนังคะของสามเณรคือปาราชิกของพระนั่นเองส่ว น, นธนตกรรมนั้นคือการทําโทษเล็กๆน้อยๆอยเช่นให้ล้างซ่วมให้กวาดลานเจดีเป็นต้นเพื่อให้เข็ดหลาบเพื่อระวังไม่ทําต่อไปนอกจากนี้แล้วสามเณร ย, ยังต้องประพฤติในเสเกียวัฒเจ็อันถือว่าเป็นสมบัติผู้ดีเกี่ยวกับการขบฉันการนุ่งห่มการยืนเดินได้ แสดงธรรมเป็นต้นเรื่องกิริยามารยาในการกินการอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ละเอียดมากซึ่งหาไม่ค่อยได้ในอินเดียสมัยนี้ส่วนวินัยของภิกษุนั้นกล่าวกันว่าได้แก่วินัย227ข้อนั่นคือวินัยที่มาในพระปาติโมก ค, คือที่พระสวดทุกครึ่งเดือนในพระไตปรปิฎกหลายแห่งกล่าวถึงพระวินยัยปาติโมกเป็นพื้นกล่าวกันว่าอีก77ข้อนั้นท่านผนวกเข้ามาภายหลังคือเสขียวัต เจและอนิยตสองความเป็นจริงศีลหรือวินยัยพระนั้นเป็นอปริยันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรแม้ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระวินยัยก็ทำไม่ได้หมดวินัยส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์หรือสมบัติผู้ดีมานอกพระปาติโมกท่านเรียกว่ามาในขันธกะวินัยส่วนที่มาในปาติโมกท่านเรียกว่าอาธิพรหมจันท์ คือเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ส่วนที่เป็นสมบัติผู้ดีท่านเรียกว่าอาภิสมาจารย์แปลตามตัวว่าความประพฤติอันยิ่งความประพฤติหรือมารยาทยสูงเป็นต้นกล่าวให้กระชับเข้ากว่านี้วิไนของภิกษุโดยรวบยอดก็คือจตุปาริสุทธิสี น, 4, นั่นเองจตุปาริสุทธิสี 4, คือ1ปาฏิโมกขสังวสรวสัรณ์ในีปาติโมกขสองอินรียสังวร สำรวมอินสี์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอสามอาศีวะปริสุทธิเลี้ยงชีพในทางบริสุทธิเว้นอเนสนาคือการแสวงหาอันไม่สมควรสี่ปัจจยะสันนิสิตสิตะเกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยปัจจสี่คือให้พิจารณาเสียก่อนหรือหลังการบริโภคปั จ, จัจไม่ใช่บริโภคเพื่อติดและอาศัยมันเพื่อนาตนออกจากภพ วิเนียของบรรพชิตนี้พระเจ้าทรงสอนทรงวางไว้เพื่อทำหมู่ให้งามเพื่อคนที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใสเพื่อคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วเลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเพื่อกัดเกลากิเลสให้เบาบางลงจนหมดสิ้นไปเป็นต้นบนรรพชิตที่มีวินัยดีชื่อว่าเป็นหลักในศาสนารักษาศรัทธาของชาวบ้านให้ยั่งยืนเป็นตัวอย่างแกอนุบนรรพชิตขัดเกลากิเลสของตนทําจิตให้เปี่ยมด้วยปราโมทเป็นบาดแห่งสมาธิและวิปัสสนา บัณฑิตไม่ว่าบัณฑิตหรือคฤารือหัดจึงควรฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยท่านกล่าวว่าคนไม่มีระเบียบวินัยเที่ยวไปในโลกนี้เหมือนควายตาบอดเที่ยวไปในป่าย่อมประสบอันตรายเพราะไม่เห็นหลุมบ่อรกเกลียวเรียวหนามเป็นต้นการฝึกตนมีความจําเป็นที่สุดในชีวิตมนุษย์คนจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การฝึกทั้งสิ้นยิ่งฝึกตั้งแต่เด็กยิ่งได้ผลมาก พ่อแม่จึงควรฝึกลูกให้เข้าร่องรอยตั้งแต่อายุอย่างน้อยจะได้เบาใจเมื่อเขาเติบโตขึ้นคนมีปกติฝึกตนเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพอเป็นคติได้ก็นำมาสอนตนฝึกตนเช่นสุขสามเณรสุขสามเณรเป็นสิทธิพระสารีบุตรมารดาของสามเณรเป็นชาวเมืองสาวัตถีที่ตั้งชื่อว่าสุข ห, หรือสุ ก็ามารดาเห็นว่าตั้งแต่ตั้งครันมาคนในครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญใจนางได้ถวายทานอยู่เสมอตั้งแต่เด็กถือปฏิสนธิในคันเป็นข้อสําคัญเหมือนกันนะอันนี้นี่คนมีลูกมีเต่าเนี่ยมีท้องมีอะไรก็ว่าต้องสั่งสมเพื่อให้เป็นปณิสัยปัจจัยเนี่ยนี่คนมีบุญมาเกิดก็ให้ความสุขตั้งแก่พ่อแม่หรือคนรอบข้าง เมื่ออายุได้เจ็ดปีเด็กชายสุขอยากบวชในสำนักพระสารีบุตรขออนุญาตมารดานางก็ไม่ขัดข้องเพราะเคยตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำรายอัทยาศัยแห่งบุตรเมื่อบวชแล้ววันหนึ่งสามเณรไปบินธบาทกับพระอุปชาคือพระสารีบุตรในระหว่างทางสามเณรได้เห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเห็นช่างดัดลูกศรช่างถากไม้แล้วได้ความคิดว่าน้ำลูกศรและไม้เป็นสิ่งไม่มีจิต แต่คนยังสามารถไขดัดและถากให้เป็นอย่างที่ปรารถนาได้ฉะนั้นเราผู้มีจิตจะฝึกตนไม่ได้สามเณรบัณฑิตได้มีธรรมดาสามเณรคิดดังนั้นแล้วปรารถนาจะกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมจึงบอกลาพระเทระขออนุญาตกลับวิหารยังไปวิตาบาทอยู่ได้ไปเห็นในขอกลับเลยภาษาริบุตรู้อัธยาศัยของสามเณรจึงอนุญาตสามเณรกลับมานั่งบาเพ็ญเพียรอยู่ในห้อง ขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเหมือนกันและทรงทราบว่าสามเณรยังไม่ทันสําเร็จอรหันภาษาลีบุตรจะกลับมานําบินธบาตมาให้สามเณรการมาของภาษาลีบุตรจะเป็นการทําลายสมาธธรรมของสามเณรเห็นไหมอันตรายเหมือนกันเนาะกำลังปฏิบัติด้ว่าเข้มข้นแล้วก็เกิดมีคนมาทักมาท้วงมาเรียกมาอะไรก็เป็นอุปสรรคต่อพระอรหัน์ได้เหมือนกันอันนี้พระองค์รู้ ดังนั้นพระธรรมคตกําหนดเวลามาของภาษารีบุตรแล้วเสด็จไปดักอยู่ที่ประตูพระเฉตะวันก็าบอไปถ่วงไปถ่วงเวลาไว้ให้สามเณรปฏิบัติจนสําเร็จก่อนทรงถ่วงเวลาภาษารีบุตรด้วยการถามปัญหาหลายข้อขณะที่ภาษารีบุตรแก้ปัญหาภาษาสดาอยู่นั่นเองสามเณรได้บรรลุอรหัตผลแล้วนีพระทศพลทรงทราบด้วยพระญาณจึงทรงอนุญาตให้ภาษารีบุตรนําบิณฑบาตไปให้สามเณรได้ พระศาสดาทรงปรารบเรื่องที่สามเณรอายุเจ็ดขวบฝึกตนเพราะเห็นชาวนาไคน้ำเข้านาเป็นต้นนี้จัดสอนภิกษุทั้งหลายว่าชาวนาย่อมไคน้ำเข้านาผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนเป็นต้นมีระยะดังพรนนามาแล้วบุพกรรมอันเป็นอุปนิสัยของสุขะสามเณรตำนานเล่า ว, ว่าในอดีตการมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อคันทักกุมาร เมื่อบิดาตายแล้วทราบว่าทรัพย์สมบัติมีอยู่ในสกุลเป็นอันมากรับช่วงกันมาตั้งแต่สมัยปู่และตาเขาเห็นว่าทรัพย์เหล่านั้นที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้เมื่อตายแล้วก็หาเอาติดตัวไปได้ไม่จึงนำทรัพย์ออกบริโภคใช้สอยอย่างโอราเพื่อให้หมดไปในช่วงชีวิตของเขาความรู้ราฟุ่มเฟือยของท่านคันทเศษฐีนั้นเป็นที่ปรากฏทั่วเมืองพราณสีขนาดเวลากินข้าว ก็มีคนมาดูกันเป็นจำนวนมากทุกมือทั้งนี้เพราะอาหารและเครื่องอุปโภคในการบริโภคล้วนเป็นของแพงราคาแสนทั้งสิ้นสงสัยเป็นคนนี้แหละมั่งราคาแสนแสนมีคนยากจนอย่าอยากจะกินข้าวคำละแสนวันหนึ่งคนยากจนมีอาชีพขายฝืนคนหนึ่งนี่มาแล้ว มาดูการบริโภคของเศรษฐีแล้วอยากกินอาหารอย่างนั้นบ้างขนาดถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายเพื่อนของเขาจึงร้องขออาหารเศรษฐีแต่เศรษฐีไม่ยอมให้บอกว่าถ้าให้คนอื่นขอบ้างก็ต้องให้เหมือนกันอาหารถาดหนึ่งไม่ใช่ราคาเล็กน้อยราคาเป็นแสนอย่างไรก็ตามบรุษขายฝืนไม่อาจระงับความอยากได้เศรษฐีจึงบอกว่าถ้าทางานให้เขาสมปีเต็มเขาก็จะให้อาหารถาดหนึ่ง ในคุณภาพและปริมาณนี้บุรุษขายฝื้นตกลงทันทีตั้งแต่นั้นมาเขาได้ชื่อใหม่ว่าพัตติกะแปลว่ารับจ้างเพื่อพัดเขาทำงานอยู่สามปีเต็มโดยไม่มีข้อบกพร่องเลยเศรษฐีจึงมอบอาหารถาดหนึ่งให้ซึ่งมีราคาเป็นแสนพร้อมทั้งบอกบริวารชนให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตนมือหนึ่งเศรษฐีให้เปล่าประกาศ ไปทั่วนครให้คนมาดูการบริโภคกันโอราณของนายพัตตพัติกะขณะที่เขาล้างมือเตรียมบริโภคนั่นเองพระปเจกพระเจ้เจเาองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติตรวจดูที่โคจรแล้วคนที่ควรโปรดได้เห็นนายพัตตพัติกะนั้นมีอุปนิสัยพร้อมจึงมาโปรดยืนอยู่เบื้องหน้าของเขา นายพตพติกะเห็นแล้วเลื่อมใสและคิดว่าเพราะไม่ได้ทําบุญให้ทานไว้ในชาติก่อนชาตินี้จึงเกิดมายากจนจะกินอาหารดีสักครั้งหนึ่งก็ต้องทํางานจ้างถึงสปีหากเราบริโภคอาหารนี้ก็จะพึงรักษาเราได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้แก่พระพัจเจพพุทธเจ้ามันจะสามารถรักษาเราได้หลายร้อยชาติ นายพัตตพติกะน้อมอาหารเข้าไปถวายเมื่อเกลียข้าวลงในบาตรได้ครึ่งหนึ่งพระปเจกวัธเจ้าปิดบาตรแสดงว่าพอแล้วแต่เขาขอร้องว่าอาหารนี้พอสําหรับคนคนเดียวเท่านั้นโปรดรับทั้งหมดเถิดเพื่อสงเคราะห์เขาในโลกหน้าพระปเจกวัธเจ้าจึงรับจนหมดนายพัตตพติกะถวายอาหารเสร็จแล้วไหว้และขอพรว่าข้าพเจ้าต้องทํางานถึงสามปีจึงได้อาหารนี้สําหรับหนึ่ง ด้วยอํานาจบุญกุศลนี้ขอความสุขจงวันเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วและข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดพระประเจกพัจเจ้ากล่าวว่าขอจงสมความปรารถนาเถิดขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญขณะที่นายพระตะพติกะถวายอาหารอยู่นั้นมหาชนที่มาประชุมกัน เพื่อดูการบริโภคของเขาต่างก็โหร้องแสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเป็นกิจที่ทำได้โดยยากเสียงโห่ร้องนั้นดังสนัน่นจนได้ยินถึงคันทะเศรษฐีเศรษฐีคิดว่านายพัตตะพติกะไม่อาจทำให้เหมาะสมได้คนทั้งหลายจึงหัวเราะเยาะดังนี้แล้วส่งคนของตนไปสืบดูเมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วเต็มไปด้วยความตื้นตันใจคิดว่านายพัตตพติกะทากิจที่บุคคลทาได้ยาก เราอยู่ในสมบัติเห็นปานนี้เป็นเวลานานแล้วยังไม่อาจให้อะไรได้เลยเขาให้เรียกนายพัตตะพติกะมามอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วขอแบ่งเอาส่วนบุญนายพัตตะพัติกะอุทิศ ส, ส่วนบุญให้เศรษฐีด้วยเศรษฐีได้แบ่งทรัพย์ของตนให้เขาเป็นจํานวนมากต่อมาพระราชาเห่งพระอนาสีทรงทราบเรื่องของนายพัตตะพติกะแล้วก็ทรงสวมมนัด เรียกเขาเข้าเฝ้าพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอแบ่งส่วนบุญทรงรับส่วนบุญแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้นายพัตตะพติกะพร้อมท้งพระราชทานตําแหน่งเศรษฐีให้เขาได้ชื่อว่าพัตพตะพติกะเศรษฐีด้วยประการชนีพัตพตะพติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันทเ่เศรษฐีนั่งด้วยการบริโภคร่วมกันเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เข้ามาถือปฏิสนธิในคันแห่งหญิงคนหนึ่งในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีเขาก็คือสามเณรสุขะสามเณรนั่นเองนี่คือบุพกรรมของสุขะสามเณรสมควรกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่าการทําบุญที่พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสนั้นย่อมมีผลมากและให้ผลในปัจจุบันปฏิสัมพิทา4ี่คือหนึ่ง วัตถุสัมปทาหมายถึงทําบุญแก่พระอรหันต์หรือพระอนาคามีผู้สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ 2. เจตนาสัมปทาความพร้อมพรั่งแห่งเจตนาดีทั้งก่อนให้กําลังให้และให้แล้วกล่าวคือมีจิตเลื่อมใสยอยู่ตลอดเวลา 3. ปัจจัยสัมปทาความพรั่งพร้อมแห่งปัจจัยคือของถวายกล่าวคือของนั้นได้มาโดยสุจริตโดยชอบธรรม 4. คุณะติเลกสัมปทาหมายถึงได้ถวายปัจจัยแก่พระทักขินัยยะบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปผู้ออกจากนิโรสมาบัติบุญของนายพัตตพิกะพรั่งพร้อมด้วยสัมปทาทั้งสีนี้จึงให้ผลทันทีทันใดวักที่สิบเปรียกทันทวัควันนานารวมเสพเรื่องจบเพียงเท่านี้แถมท้ายนิดหนึ่งประวัติ ผู้เขียนคือว ส, สิลอินทศระชาติภูมิเกิดที่หมู่บ้านท่าสาาอำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่17กันยายนพศ2477เมื 77, ม่อจำความได้พ่อแม่ได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านตากแดดตำบลปากโกรอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาการบรรพชาสมบทปวดเป็นสามนเณรเมื่ออายุ13ปีที่วัดบุกพารามเขตนบุรีกรุงเทพ เมื่อพศ 2,490 และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อพศ 2,497 ลาศิกขาเมื่อ24มกราคมพศ 2,507 การศึกษามัธยม8สมัครสอบนักธรรมเอกปรียน7ประโยคป ร, ริญญาตรีสาสนศาสตรบัณฑิตมหามกุฑตราชวิทยาลัยปริญญาโททางปัจญามหาวิทยาลัยบานารัสอินเดีย <os good to you> ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิาพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหมามกุฏราชวิทยายลายัยหน้าที่การงานสอนวิชาศิลธรรมที่โรงเรียนราชินีที่โรงเรียนพานิชยาการสีลมวงเล็บอาจารย์ผู้ปกครองที่โรงเรียนเตรียมทหารได้เป็นหัวหน้ า, าแผนกสารบัญมียอดเป็นร้อยโทสอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาตและมหายานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงประมาณ12ปี ตั้งแต่พศ2521ถึงพศ2 5 3 3สอนวิชาพุทธศาสตร์ในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ประมาณ10ปีตั้งแต่พศ2 5 3 3ถึงพศ2543 ส, ส, สอนที่มหามากุฏราชวิทยาลัยเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาตั้งแต่พศ5อ6จนถึงปัจจุบัน คือปศ .2552 สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทางพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่มหามกุฎราชวิทยาลัยตั้งแต่พศ .2525 25มาจนถึงปัจจุบันบรรยายพิเศษในที่ต่างๆตามที่ได้รับเชิญบรรยายทำทางวิทยุตั้งแต่พศ .2539 จนถึงปัจจุบันโดยออกเป็นรายการสดบ้างใช้เทปบ้างปัจจุบันใช้เทป การประพันธ์ได้เขียนหนังสือประเภท ต, ต่างๆเช่น น, นิยายนิยามอิงหลักธรรมอธิบายหลักธรรมเป็นต้นตั้งแต่ปศ .2506 มาจนถึงปัจจุบันมีประมาณ130ชื่อเรื่องบางชื่อเรื่องก็มีหลายเล่มเช่นทางแห่งความดีเป็นต้นนิตยสารเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักสุนิตยสารนี้เป็นนิตยสารธรรมะที่เก่าแก่มากที่สุดของมหมามกุฏของมูลนมมิธิมหามกุฏ รชวิทยาลายัยตั้งแต่ปีพศ2529จนถึงพศ2539เป็นบรรณาธิการนิตยาสารสุภพมิตรของมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรมของวัดมกุฏกษัตริยารามตั้งแต่ปีพศ2534ถึงพศ2551ทรมาจักรสุนี่ก็ทำให้ได้ติดตามตั้งแต่มาบวชใหม่ๆ ม, มีท่านอาจารย์องค์หนึ่ ง, งท่านรับประจำก็เป็นเหตุให้ได้ ศึกษาเกี่ยวกับด้านพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมะได้มากได้ประโยชน์มากพอสมควรรางวัลพิเศษปีพศ2517ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประเภทสารคดีหนังสือเรื่องจริยาบทปีพศ2518หนังสือเรื่องจริยาศาสตร์ปีพศ2525ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเป็นรางวัลในฐานะ ผู้บำเพ็ญคุณนประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประเภทวรรณกรรมเนื่องในโอกาสสมพกโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพศ2533ได้รับเกียรติคุณบัติจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นรางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนาจากบทความเรื่องหลักกรรมกับการพึ่งตนเอง22เมษายนพศ2552ได้รับโลภพุทธคุณูปการ การเจนะเกียติคุณและเกียรติบัตในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพทธศาสนาจากคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร29กรกฎาคมพศ .2553 ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพศ .2553 จากกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องพระอานนท์พุทธานุชานอกจากจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยแล้วสารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตรวรรษที่20ได้นำเรื่องพระอานนท์พุทธานุชาไปสืรีไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นทำนองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมที่สับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหานา น, านับประการอันนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์วสิทอินทสาะทางแห่งความดีเล่มที่สองจบขอพักก่อน อยังธรรมกถาสาทสมณเตหิสันลัเกตปาตีฟังแล้วก็เพืนดีนะ ไม่รู้เพินหรือเปล่าเนี่ยผู้อ่านก็เพลินไป่างเลยจนจะสี่ทุ่มแล้วธรรมบทนี่ก็นานแล้วก็ดีแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่วันิสัยของคนเี่นี่สงกับที่ท่นว่าผู้รักธรรมกับผู้ชังธรรมบางคนได้ยินเสียงธรรมก็โอ้ยเบื่อเนี่ <laughs> ง่วงนอน <laughs> ยากให้รกันิสัยอันนี้บางคนได้ฟังธรรมโอ้ยเบิกบาดใจคลายทุกข์คลายสศกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ตนเองสะสมมาพอได้ฟังธรรมะก็ทำให้เออเบาใจชื่นใจขึ้นรู้สึกมีความสุขมันมีความกล้านะถ้ามีธรรมะในใจเยอะ ในจิตใจนี่แม้มันจะตายมันก็มันก็ยังมีความภูมิใจว่าเออเรานี่ไม่เสียทีเสียทีที่เกิดมานพบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมรือเพพาะธรรมที่เป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจนี่โอไม่ใช่สิ่งที่จะได้ฟังได้ง่ายๆ อย่างแม้แต่มักแปดเองก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะได้ฟังง่ายๆแต่ถ้าจะว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยใครจะว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าธรรมะก็คือสัจธรรมแล้วก็มีตัวอย่างหลากหลายนีย่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะได้เป็นปุกราทิฐานได้เป็น สิ่งที่ให้เราได้ข้อคิดได้ศึกษานะว่าธรรมะนะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าแก้ทุกได้จริงหรือเปล่านะนะอย่างท่านสอนว่าถ้าดำเนินไปตามทางแน่นอนแต่นะประมาบางอย่างก็เหมือนกับท่อนไม้ที่มันไหลไปตามกระแสน้ำถ้ามันไหลโดยไม่ตนะิดนขะัด ไปโดยสม่ำเสมอจริงๆแล้วมันเที่ยงแท้จะลงสู่ทะเลหรือบึงใหญ่เนี่ถ้าไม่ติดข้างซ้ายข้าง ข, างขวาเ น, นหรือไม่ผุไม่เน่ากลางแม่น้ำกลางห้วยหนองของบึงซะก่อ น, นย่อมถึงทะเลแน่นอนนี่ยข้อเปรียบเทียบพ้กประมาณต่างๆนี้ทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดขึ้นมากเนี่ย ทาให้มองเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมนะแล้วไม่มีอะไรถ้าถ้าไม่มีธรรมเนะี่ยสังคมไหนเนะี่ยถ้าไม่มีธรรมเนะี่มันจะสงบได้อย่างไรจะพะ ส, สุขได้อย่างไรเนะี่ยหาหาไม่ได้หรอกหายากเนะี่ยแม้ที่เราเรียกว่าชนชาติเจริญเนะี่ยถ้าเจริญในสายตาของเรามันก็ตัดสินไม่ได้เหมือนกันเนี่ย เรามองเห็นเขาเจริญเราอาจจะเห็นแต่ว่าโอ้ยเห็นถนนหนทางเห็ น, น, น, ห น, หนตึกรามบ้านช่องอย่างนี้แต่ไม่ได้มองโดยภาพรวมทางด้านจิตใจของเขาเป็นอย่างไรนี่ปัญหาในทางสังคมเขากับมากมายกาย่กองเนี่ยเราไม่ได้ดูนั่นคือความเจริญที่สายตาที่เรามองนแต่ในพุทธศาสนาถ้าไม่ได้มองความเจริญลักษณะนั้นท่านมองถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนภายในจิตใจ โดยเฉพาะจิตใจที่ความโลภมันน้อยหรือกขจัดความโลภได้ให้มันเบาบางลงความโกรธน้อยลงความหลงน้อยลงเนี่ยนี่นี่มันมีความเสียสละมากขึ้นเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นมีความเมตตามากขึ้นเนี่ยนั่นจึงเป็นสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าเป็นความเจริญเนี่ยเพราะจะทาให้สังคม้เกิด สุขเกิดความสง บ, บขึ้นมาได้เนี่ยนี่นี่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะันก็ไม่รู้นะเราก็จะมีความคิดเห็นไปอย่างเขานั่นแหละเหมือนเขาเนี่ยเนี่ยซึ่งมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ความเจริญนเนี่ยมันเป็นความเสื่อมทางด้านจิตใจทางศีลธรรมนเนี่ยเนี่ยมันก็เลยถ้าเป็นลักษณะนั้นมันปอยู่์ที่ไหนมันก็ หาความสงบไม่ได้มันหวาดระแวงไปหมดแหละเนี่วปัจจุบัน ม, มีที่ไหนที่มันสงบจริงจรนั่งหรือยืนเดินตรงนั้นมันไม่หวาดระแวงมันหายากนะเนี่ยมันหายากนะแต่ก่อนคนมีฮิริโอตตะปะมากมีศีลคนแต่ก่อนเขามีศีลเนี่ะศีลห้าแม้จะขาดตกบกพร่องไ้าเล็กน้อยแต่ฮิริโอตตะปะเขาก็ยังมีน มีความละอายแต่ก่อนธรรมะที่เป็นศสัจธรรมนะมีคนสอนน้อยเพราะว่ามีผู้ที่รู้จริงๆ น, ะนก็น้อยไงนี่ตามโนมดบ้านนอกก็หายากนะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งอันนี้เกิดจากความเชื่อของเขาเนี่ยซึ่งเราก็ได้รับรู้มาเหมือนกันเนี่ยคือมนต์หรือพุทธมนต์ แต่ความหมายอันนี้เนะี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นมนหรือพุธทธมนต์ตามความหมายที่แท้ จ, จริงเนะี่ยแต่ใช้ไปทางสยศาสตร์เนี่ยใช้ทางสยศาสตรนะ์เนี่ยแต่ถึงกันนั้นน่ก็เป็นอุบายก็เคยศึกษาเหมือนกันก็ถ้าจะมองในแง่ไม่ดีมันก็ไม่เชิงนะคนแต่ก่อนก็มีความฉลาดอย่างหนึ่งนะคือถ้าคนที่จะเรียนมนอะไรต่างๆนีสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ขาดไม่ได้คือสัจจะสัจจะแล้วก็ศีลแต่เขาไม่บอกว่าศีลนะถ้าคนอิตารีเขาว่าถ้าจะเรียนมล น, นี้ต้องคลำนะเว่าต้องขลํำคือมีข้อยกเว้นนะต้องคุณต้องมีสัจจะต่อข้อปฏิบัตินี้นะละเมิดไม่ได้นะนละเมิดไม่ได้นนี่ซึ่งมันก็รวมในศีลห้านั่นเองเนี่ยคือประพฤติความดีนั่นแหละต้องมีความดีนะ่ย มนถึงจะขังถ้าไม่มีความดีนี้ม์นี้ไม่ขังถึงท่องถึงบนถึงอะไรไปมันก็ไม่ขังไม่สาเร็จประโยชน์เนี่ยฉนั้นจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งบังคับคนให้อยู่ในศีลธรรมคนมีศีลมีธรรมเพราะมีมนตัวนี้ฉะนั้นข้อห้ามถ้าดูแล้วก็มีแต่ห้ามในสิ่งที่มันทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและแก่ผู้อื่นเนี่ย แล้วก็เป็นอุบายให้รักษาสัจจะตั้งมั่นในความดีนี่นั่นเป็นอุบายของคนแต่ก่อนนะซึ่งมนไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้แตกฉานในด้านนี้คนที่ฉลาดก็เลยวางอุบายเรียกว่าอุบายให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขไว้ก่อนรอเวลาที่ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มีความสามารถ มาแก้ไขมาให้ความกระจ่างต่อมนนั้นเน่ยอย่างอยู่อุบลเนี่ยก็มีเหมือมนทั่วไปนั่นแหละแต่พอหลวงพ่อชามาก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะเหมือนกันเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มันผิดๆก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะเนี่ยท่านจึงที่ว่าท่านมาเพื่อประโยชน์เนี่ยมีคำหนึ่งที่ว่า ท่านเขียนว่าท่านตอนไปอังกฤษท่านไปอังกฤษอยังไม่ถึงหกสิปีนะห้าสิบปดหรือยังไงเนะี่ยก็แต่ก่อนก็หาข้อมูลมาพอีไปเจอที่ท่านบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของท่านรู้แต่ว่าประมาณอ า, อายุหกสิบนี่แหละจริงๆท่านห้าสิบแปดห้าสิบเก้าท่านไปนี่ท่านเขียนข้อความในบันทึกของท่านไนวะ้ ท่านบอกว่าแต่ก่อนอยู่เมืองไทยก็ยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่ในบางข้อของธรรมะเนี่ยแต่เมื่อไปต่างประเทศจะเห็นชัดในหลายๆข้อเนี่ยโดยเฉพาะการไปเพื่อมุ่งประโยชน์นะเนี่ยเทพเจ้าท่านว่าจงไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนนะท่านก็นบอกว่าไปดูแลเนี่ยอย่างคนอังกฤษเนี่ย มีวิปนิสัยพอที่จะเป็นไปได้เนี่ยถ้าสมควรที่จะย่างรากแห่งพุทธศาสนาหรือตัวอย่างเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยให้เขาได้สัมผัสให้เขาได้เห็นน่าจะเป็นประโยชน์แก่เขาได้มากดูขนรรมเนียมประเพณีแม้จะแตกต่างกันแต่จิตใจของเขานั้ น, นทำให้มองเห็นชัดว่าเขาโน้มเอียงมาทางนี้เนี่ยโดยส่วนมาก พ่อองกรเขาเป็นผู้ดีนะเดงเกลเกลเกตุงนี่ไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหลดอากับพระสงศ์ถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยโอ้ยมันด่านะั่นเดินผ่านไปมันดา่าเจอบ่อยเลยแต่ก่อนดฟีฟังฟังภาษาไม่ค่อยรู้ก็ปล่อยวางได้อยู่ <c oughs> หรือได้ยินก็ทำเสฉยไปเสียรู้ก็ทำเสฉยไปเสียมันมีพพวกเสรีภาพนี่แ เ, เสรีภาพของคนเนี่ยนี่ มันอยากจะทำมันก็ทำได้ทำให้เราเน้ว่าโอ้นี่เลยที่ว่าชาติเจริญถึงได้ข้อเปรียบเทียบหลวงพอมหาสมัยท่านอยซิดนี้ แ, กแรกๆท่นโอ้ยผมไม่อยากไปบินธบาตนะิเลยครูพวกนี้มันด่าทุกทีเลย ด, ด, ด, ด, ด, ด่าเดินกระดาษรถติดไฟแดงนะจอดมันเห็นมันก็โผล่หัวมาดา่าไม่รู้มันไมีพอใจอะไรของมันมันะ ตัวประหลาดอะไรก็มันก็ไม่รู้นะแต่ก็ดีนะคนที่ถูกด่าถ้าไม่โกรธเขาก็เท่ากับทำให้ความดีมั่นคงคนด่าที่มีแต่ด่าเขาก็ให้ความชั่วของเขามั่นคงขึ้นเหมือนกันเขาก็ตอบย้ำไงมีการตอบย้ำยต้องคิดได้เป็นนะคิดได้เป็น ถ้าคิดเป็นมันเป็นพลังให้ความดีได้มั่นคงเนะี่ยถ้าคิดไม่เป็นถ้าไปโกรธไม่พอใจเขาเนะี่ยความดีที่มีอยู่ก็สั่นคลอนแล้วก็เสื่อมไปได้เนะี่ยแล้วอาจจะหมดไปได้ด้วยเนะีนะ่ยถ้ามองให้ดีเนะี่ยมันเป็นการตอกให้ความดีของเราแน่นขึ้นเออน่าสงสารเนาะเพราะเป็นคนที่นะไม่รู้เนะี่ยการกระทําของเขาแม้เขาทาเขาเคาคิดว่ามันถูก เขาบอกว่าเป็นความดีถ้าที่จริงมันเป็นความไม่ดีเป็นตราบาปให้กับเขาก็ไม่รู้นะจิตที่สงสารเมตตาตัวนี้ก็เพิ่มความดีให้เราถึงเรียกว่าตอบย้ำความดีให้นั่นนะไอ้ที่มันไม่รู้มันตอบย้ำความชั่วขอเมันมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็ได้รับผลนะมันคิดว่ามันจะดีนะถ้ามันเอาทําของไม่ดีพูดของไม่ดีนะแม้ไปนอนมันก็ยังติดตามไปเ่ย บางแก จ, จะไปคิดว่าโอ้ยวันนี้ดา่าไม่สะใจถ้าเจออย่าก็จะเอาให้หนักกว่านี้สั่งสมมันก็คิดไปในทํานองนี้นั่นคือมันสั่งสมชั่วไงถ้าคนดีก็เป็นนอนก็ก็คิดดีเหมือนกันจะทําไงนอจะแก้ไขพวกนี้ได้จะสอนพวกนี้ได้นะคิดหาอุบายไป็นคนละทางนะคนหนึ่งคิดด้วยความเมตตาเ น, ะนี่ถ้าเขากลับตัวกลับใจได้น่าจะเป็นบุญเยอะนาะเนี่ยครับวิธีในนอะคิดไปคนละทาง คนนิยมความดีกับคนนิยมความชั่วมันก็เลยแตกต่างกันนนี่ถ้าเข้าใจธรรมะอย่างนี้การปฏิบัติโนมันก็ทำให้เราหนักแน่นในกุศลธรรมในความดีเท่านั้นแหล ะ, อะพอแล้วเนาะรู้สึกไม่ไหวนะ